จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรามทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8ดตุลาคมพุทธศักราช2555เป็นวันพระวันธรรมสวัสดิ์วันฟังธรรมวันที่เราสาธุชนพุทธบริษัท ผู้มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะได้มาปฏิบัติมาสร้างความสุขทางใจเพราะความสุขทางใจนี้ดีกว่าความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายเป็นความสุขชั่วประหดียวประดาวถ้าเป็นตุ่มน้ำก็ตุ่มที่มีร อ, อยรั่วเติมน้ำก็ไปเต็มได้เดียวเดียว แล้วเดี๋ยวก็พร่องหายไปต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆความสุขทางตารู้จมูกลิ้นกายเป็นอย่างนี้สุขเดียวเดียวแล้วก็หายไปแล้วก็ต้องเติมใหม่ต้องไปดูไปฟังใหม่ไปดื่ไปรับประทานใหม่ไปเที่ยวใหม่แต่ความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่อยู่สะสมไปในใจ เพิมากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับตุ่มน้ําที่ไม่มีรอยรั่วเติมน้ําเข้าไปเท่าไหร่น้ําก็ยังจะอยู่ในตุ่มไม่หดไม่หายไปไหนมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปตามลําดับจนเติมจนเต็มตุ่มไปในที่สุดเมื่อเต็มตุ่มแล้วก็ไม่ต้องเติมอีกต่อไปเช่นใจของพระพุทธเจ้าของพาอาาระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านได้เติมความสุขใจเข้าไปตามลำดับพอเติมจนเต็มตุ่มแล้วท่านก็ไม่ต้องเติมอีกต่อไปท่านบอกว่างานที่จะต้องเติมความสุขให้กับใจนี้สิ้นสุดสิ้นสุดลงแล้ววุสิตังพรหมจรียังงานภารกิจของนักบวชได้ยุติแล้วได้สิ้นสุดแล้วพอได้เติมความสุข ให้เต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจแล้วเป็นบัลลมาสุขขันแล้วเป็นความสุขเต็มเปลี่ยนเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดหมดไปเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายนั่นเองส่วนร่างกายนี้มีวันตายความสุขทั้งหลายที่ได้จะผ่านทางร่างกายพอร่างกายตายไปความสุขแต่งก็หมดไป เหลือแต่ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจนี่คือความแตกต่างระหว่างความสุขทางร่างกายและความสุขทางจิตใจพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันพระเพื่อให้ญาติโยมพุทธบุตสัตว์ได้มาเติมความสุขทางใจกันบ้างให้ละความสุขทางกายสักวันหนึ่งด้วยการมาถือศีลอุโบสถ หรือถือศีลแปดคือจะยุติการหาความสุขทางร่างกายหนึ่งวันเช่นศีลข้อ ส, สที่บัคติเป็นการเมสุมิชาจาราคือจะไม่ประพฤติป่วยนีก็จะเปลี่ยนมาเป็นอพรณมจริยาเวลมดีคือจะไม่ร่วมเสกกรรมกับคนอื่นหนึ่งวันหนึ่งคืน สามีภรรยาก็แยกกันอยู่คนละห้องไม่นอนห้องเดียวกันเพราะน้ำกับเพราะไฟเพราะไฟทำน้ำมันเวลามันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันลุกขึ้นมาได้ต้องแยกไฟกับ น, น้ำมันไว้คนละที่ไฟในที่นี้ก็คือกามารมณ์กามาราคะเวลาหญิงกับชายนอนอยู่ใกล้กันเดี๋ยวก็จะเกิดกามารมณ์ขึ้นมา ผู้ที่ถือศีลแปดผู้ที่จะลักความสุขทางร่างกายทางการอารมณ์จึงจาเป็นจะต้องอยู่ห่างจากคู่ครองของตนเพราะอยู่ใกล้แล้วเดี๋ยวเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วจะไม่มีสติยับยั้งได้เช่นมาอยู่วัดอย่าไปอยู่บ้านถือศีลแปดแยกกันอยู่คนที่ไม่ถือศีลแปดให้เขาอยู่บ้าน คนถือสิงแต่ก็มาอยู่วัดหรือถ้ามาด้วยกันน้องคู่ก็แยกกันอยู่ที่วันนี้จะให้ผู้หญิงกับผู้ชายแยากกันอยู่ไม่ให้อยู่ใกล้กันเพราะการอยู่ใกล้กันนี้ก็เป็นเหมือนนะไฟกับน้ำมันที่จะทำให้เกิดไฟลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วผู้ที่ต้องการความสุขทางใจจึงจำเป็นจะต้องละความสุขทางกาย ก็คือละการเศกการแล้วก็ต้องละความสุขจากการรับประทานเดิมรับประทานอาหารเด่มเครื่องดื่มต่างๆขนมนมเนยต่างๆให้มาถือศีลข้อ6 <c oughs> คือจะไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะรับประทานเพียงเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นหรือถ้าจะให้เคร่งกว่านั้นให้ดีกว่านั้น ก็รับประทานเพียงมื้อเดียวรับประทานทุกอย่างเข้าไปพร้อมกันหมดขนมนมเนยอาหารขาวหวานเครื่องดื่มอะไรต่างๆเอามันให้เต็มถังไปเลยถ้าเติมน้ำมันก็เติมบางทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยแล้หลังจากนั้นก็อด <c oughs> ไม่ต้องกินอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องดื่มอะไรนอกจากน้ําปล่าอย่างเดียวนี่เป็นการละขวัสุด ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสรับประทานอาหารก็เพื่อให้รักษาให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่หิวเท่านั้นเองรับประทานเห้นรับประทานยาไม่ได้รับประทานเพื่อความสุขไม่ได้รับประทานเพื่อความสนุกสนานเฮฮาล่าเริงแต่รับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ เหมือนกับการรับประทานยามีอะไรก็รับประทานเข้าไปให้มันจบจบให้มันเสร็จไปเสร็จแล้วก็จะได้มีเวลามาสร้างความสุขทางใจคือมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมนี่เป็นการสร้างความสุขทางใจนอกจากการไม่หาความสุขจากการรับประทานแล้ว ก็ไม่หาความสุขจากเครื่องบรรเทิงต่างๆเช่นแสงสีเสียงดนตรีภา พ, พยนตร์หรือการแต่งกายให้สวยงามใส่น้ำหอมใสเครื่องเครื่องสำอางทำผ้าทำผมแต่งกายอย่างสีฉูดฉาดความสุขแบบนี้ขอกดหนึ่งวันเอาเอาแบบเรียมง่าย ใส่เสื้อผ้าพอปกปิดอวั ย, ยะวะก็พอหน้าตาก็ล้างหน้าให้มันสะอาดก็พอไม่ต้องไม่ต้องใส่ครีมไม่ต้องใส่เครื่องสมอางอะไรต่างๆไม่ต้องใส่เครื่องประดับผมเ้าก็หวีให้หวยให้เรียบร้อยก็พอไม่ต้องไปทำให้มันหรูหลาวิเศษวิโสมันจะเสียเวลาไปเปล่า เพื่อเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่หาความสุขจากการหลับนอนบนทุกหนา้หนาให้นอนบนพื้นไม้พื้นนอนกับพื้นปูเสือ่อหรือปูผ้าเพื่อจะได้ไม่นอนนานเวลาร่างกายพักได้พอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อ เพราะว่าพื้นมันแข็งนอนแล้วไม่สบายเหมือนนอนบนฟูกหนาๆถ้านอนบนฟูกหนาๆเวลาร่างกายได้พักเต็มที่แล้วตื่นขึ้นมาแต่ใจยังอยากจะนอนต่อเพราะรู้สึกว่ามันสบายขี้เกียจลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์ขี้เกียจลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เลยนอนต่ออีกหลายชั่วโมง ทำให้ไม่มีเวลาได้สร้างความสุขทางใจถ้าถือศีลแปลได้ก็จะมีเวลาที่จะมาสร้างความสุขทางใจคือตั้งแต่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่มีภารกิจเกี่ยวกับทางร่างกายอีกแล้วไม่มีภารกิจกิจเกี่ยวกับตาหูจมูกนิ้นกายอีกแล้วไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ต, ตอนนี้ก็จะมีเวลา ได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้ฟังเทศฟังธรรมได้สวดมนต์ไหว้พระถ้าทำมากๆทำทั้งวันหลังจากเที่ยงไปแล้วจนถึงวันรุ่งขึ้นนอนพักประมาณสี่ชั่วโมงก็พอพระพุธเจ้าให้พักตั้งแต่สี่ทุ่มไปถึงตีสองหลังจากตีสองตื่นขึ้นมาก็ให้ภาวนาให้นั่งสมาธิเดินจงกรมให้ไหว้พระสวดมนต์ ฟังเทศฟังธรรมไปตอนหัวค่ำก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ถือสิงห์แปนี้กว่าจะเสร็จภารกิจทางร่างกายก็เย็ยนค่ำไปแล้วกว่าจะกินข้าวเย็ยนได้เสร็จเสร็จแล้วก็เกิดความขี่เกียร์ง่วงเหงาหาวนอนแล้วถ้าไม่ถือศิงห์แปก็ต้องไปเปิดโทรทัศน์ดูดูละครทาอะไรไปกว่าจะเสร็จก็สี่ห้าทุ่ม ก็วง่นอดเสียแล้วจะไม่มีเวลาปฏิบัติทําได้ถ้าไม่ถือศีลแปศีลแปลนี้เป็นเครื่องสนับสนุนการสร้างความสุขทางใจถ้าได้ไหวพ้พระสวดมนต์ได้นั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญสติอย่างต่อเนื่องควบคุมความคิดไม่ให้คิดฟุ้งซ่านให้รู้เฉยๆให้รู้ว่ากำลังเดินกาลังทำอะไรอยู่ หรือให้รู้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธถ้าถ้าทำอย่างนี้ได้ใจก็จะว่างใจจะเย็นจะสบายแล้วพอนั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วใจจะรวมเป็นหนึ่นเงเป็นเอกตารวมศักดิตะวาร้เป็นอุเบกขามีความสุขมากเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลาย เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะทําให้เบื่อกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะท้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไม่ได้เสกก็จะมีความเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเหว่เช่นคนที่ชอบเสกสุรายาเมาถ้าไม่ได้เสกก็จะเกิดอาการหงุดหงิดลําคาใจคนที่ชอบ สูบบุหรีถ้าไม่ได้สูบบุหรีรก็จะรู้สึกหงุดหยิดลำคาญใจถ้าได้สูบก็ต้องสูบไปเรื่อยๆไม่มีวันพอไม่มีวันอิน่มแล้วก็จะทำลายร่างกายสุขภาพของร่างกายให้ตายก่อนวัยให้มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนความสุขทางโลกทางตาหูจมูกดิ้นกายเป็นแบบนี้เป็นโทษเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขแต่ความสุขทางใจนี้ไม่เป็นโทษกับใคร ก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากนั่งกับเดินซึ่งเป็นประโยชน์กับร่างกายร่างกายได้เดินมากๆก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ออกกําลังกายนั่งกายนั่งเฉยๆก็ได้พักผ่อนการปฏิบัติธรรมการสร้างความสุขทางใจจึงไม่เป็นโทษกับร่างกายหรือจิตใจมีแต่คุณมีประโยชน์และจะสะสมไว้ในจิตในใจไม่สูญหายไป เมืกับความสุขทางตาหูจมูกมือกายที่หลังจากเสพไปแล้วก็หายไปหมดเหลือแต่ความอ้างว้างปากเปลี่ยวเหลือแต่ความหิวความอยากที่จะต้องเสกขึ้นไปเรื่อยๆแต่ความสุขทางใจนี้จะเหลืออยู่แต่ความอิ่มความสบายความพอใจจะทำให้เห็นคุณค่าและจะพยายามทำให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆ นมีเต็มที่พอมีเต็มเต็มตุ่มแล้วก็ไม่ต้องเติมอีกต่อไปนี่คือความสุขทางใจมีวันมีวันที่พอได้พอเติมเต็มที่เต็มตุ่มแล้วน้าก็ไม่ต้องเติมพราะเติมเข้าไปมันก็จะล้นออกมาไม่เกิดประโยชน์อะไรความสุขทางใจถ้าได้เติมให้เต็มอยู่ภายในหัวใจแล้ว ก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเติมอีกต่อไปนี่คือคุณค่าของการมาวัดเพื่อมาสร้างความสุขทางใจกันอย่าไปเสียดายความสุขทางตางหูจมูกลิ่นกายเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวสักวันหนึ่งร่างกายก็จะเสื่อมลงไปตาก็จะไม่ดีหูก็ไม่ดีต่อไปดูอะไรก็ดูไม่ค่อยเห็น ฟัอะไรก็มาฟังไม่ค่อยได้ยินร่างกายก็กินอะไรมากไม่ได้เพราะมีโรคภัยไข้เจ็บเบิดเบียนกินหวานก็ไม่ได้กินขงกินของมันก็ไม่ได้กินได้แต่ผักกินได้แต่ข้าวเพราะว่าร่างกายจะต้องค่อยเสื่อมลงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ถ้าไม่รู้จัก วิธีสร้างความสุขทางใจก็จะอยู่อย่างเศร้าส้อยหนือยเหงาอยู่อย่างว้าเหวอยู่อย่างทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าสามารถรู้จักวิธีทำใจให้สงบสร้างความสุขทางใจได้ก็จะไม่เดือดร้อนกับสภาพความเสื่อมของร่างกายร่างกายจะหูหนวกตาบอด ก, ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายจะพิกลพิการก็ไม่เป็นปัญหาอะไร พอสามารถสร้างความสุขทางใจได้ไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในรูปแบบใดแม้แต่ร่างกายตายไปใจก็ยังสามารถสร้างความสุขทางใจได้เพราะใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันไม่เกี่ยวกันใจสามารถมีความสุขทางใจได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเช่นพวกที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมนี้เขาไม่มีร่างกาย แต่ใจของเขามีความสุขส่วนพวกที่ไม่ได้สร้างบุญสร้างตัวสมงัวแต่ทำบาปเนื่องจากต้องหาความสุขเมื่อไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้โดยวิธีที่สุดสุดจริตก็จะไปทำบาปทำการเช่นไปเสพยาตระพืชปิดประเวณีไม่มี ไม่มีคู่ครองหรือเบื่อคู่ครองก็แอบไปมีคนใหม่อย่างนี้ก็เรียกว่าทำบาปตายไปก็ต้องไปเกิดในอาบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรดบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือปัญหาหรือโทษของการเสพความสุขทางร่างกายเพราะมันจะทำให้ต้องไปเสพต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมต่อไป ถ้าไม่สามารถหามาได้โดยวิธีสุดเจริญแต่ผู้ที่มีความสุขทางใจนี้ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปทำบาปเพราะไม่ต้องการอะไรจากใครสามารถผลิตความสุขขึ้นมาในตัวของตนเองได้มีความสุขอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องไปหาความสุขข้างนอกนี่คือความแตกต่างระหว่างความสุขทางใจ และความสุขทางว่างกายการที่เราจะสร้างความสุขทางใจให้เกิดขึ้นได้เราต้องมีความตั้งใจเช่นวันนี้เราต้องตั้งใจรักษาศีลแปดตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจนั่งสมาธิเดินจงกรมตั้งใจไหว้พระส่วนมนตตั้งใจฟังเทศฟังธรรมจะไม่ทําอย่างอื่นจะทําเพียงกิจเหล่านี้เท่านั้น ถ้าตั้งใจแล้วก็จะมีความขยันที่จะทำความจริงใจที่จะทำถ้ามีความขยันความจริงใจก็จะสามารถทำได้ถ้ายากลำบากก็ต้องมีขันติอดทนต่อสู้กับความอยากความอยากที่จะไปเปิดตู้เย็นหาขนมนมเยนยมาเดิอมารับประทานเปิดทีวีดูก็ต้องต่อสู้กับ ความอยากเหล่านี้ต้องมีความอดทนบังคับตัวเองให้สวดมนต์ไหว้พระให้นั่งสมาธิให้เดินจนกงกรมให้ฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆถ้าบังคับไปได้แล้วต่อไปก็จะหน้าใหม่ๆนี้มันจะต่อต้านเพราะมันไม่เคยทําเคยทําอะไรมันก็อยากจะทําอย่างนั้นเหมือนถ้าเราถนัดใช้มือขวาไม่ถนัดใช้มือซ้าย ถ้าเราต้องเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายเราจะไม่อยากใช้เพราะไม่ถนัดแต่ถ้าเราแขนขาดไปมือขวาเราขาดไปเราไม่มีมือขวาเราก็ต้องหัดใช้มือซ้ายถ้าใช้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็ใช้ได้อย่างถนัดใหม่ๆก็รู้สึกยากลำบากแต่พอใช้ไปน า, นานเขาก็จะเกิดความชำนาญขึ้นมาเองนี่คือเรื่องของการเปลี่ยนนิสัยของเรา นิสัยของเราเราถนัดกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราไม่ถนัดที่จะหาความสุขทางจิตใจแต่เราต้องคิดเสียว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดเราเป็นอะไรไปเป็นอามภพข์อามภ า, าไปเราจะทำอย่างไรถ้าเราไม่รู้จักหาความสุขทางใจเราก็จะทุกขทรมานใจแต่ถ้าเราพยายาม หาความสุขทางใจไปเรื่อยๆจนเกิดความชนานาญต่อไปเราก็จะทำได้อย่างง่ายดายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอามภูษฐอมภา พ, ามาพา ไ, มา ไ, ไม่สามารถไปทำอะไรได้เราก็ยังสามารถสร้างความสุขให้กับใจของเราได้ถ้าเราไม่สามารถสร้างความสุขให้กับใจของเราได้ ความทุกข์ทางร่างกายก็อาจจะบีบบังคับให้เราคิดฆ่าตัวตายคนที่เป็นอามตะทุกรมาภาพาต้องพึ่งคนอื่นนี้จะมีความคิดที่ไม่ดีคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่อยากจะรบกวนคนอื่นไม่อยากจะพึ่งพาอาศัยคนอื่นไม่อยากจะให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ตนเองก็ไม่สามารถหาความสุขจากทางร่างกายได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทาไม นี่เป็นเพราะว่าไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจนั่นเองถ้ารู้จักสร้างวิธีสร้างความสุขทางใจแล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับร่างกายจะมีใครดูแลหรือไม่ก็ไม่สําคัญเขาจะดูแลก็ดูแลไปเขาจะไม่ดูแลก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรก็ปล่อยให้มันตายไปโดยธรรมชาติถ้ามันตายโดยธรรมชาตินี้ไม่บาปถ้าตายด้วยด้วยเพราะว่าเราต้องการจะฆ่ามัน อย่างนี้บาปเพราะมันจะติดเป็นนิสัยไปไปเกิดชาติหน้าไปเจอปัญหาแบบนี้อีกก็จะฆ่าตัวตายซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีวันสิ้นสุดก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากวงจรอุบาดอย่างนี้ไปได้มีวิธีเดียวที่จะหลุดพ้นจากวงจรวิธีอุบาทนี้ได้ก็คือต้องปล่อยให้ร่างกายมันอยู่ไปตามสภาพของมัน มันอยู่ได้ก็ปล่อยมันอยู่ไปอย่าไปฆ่ามาันการฆ่านี้เป็นบาปและจะเป็นเวรจะต้องกลับมาฆ่าตัวเองเอีกไม่รู้กี่กี่ร้อยชาติด้วยกันถ้าเรารู้จักสร้างความสุขทางใจเราก็สามารถปล่อยร่างกายให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไปตามสภาพของมันเราก็ยังสามารถมีความสุขทางใจได้อยู่เราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะ เจ็บตรงนั้นปวจตรงนี้หรือไม่มีใครดูแลอดอยากขาดแคลนก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันจนกว่ามันจะหมดลมหายใจเมื่อหมดลมหายใจแล้วก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมกันไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งกับร่างกายอีกต่อไปแล้วพบหน้าชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่คิดค่าตัวตายเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทาอะไร ไม่สามารถหาความสุขให้กับใจได้นี่คือคุณประโยชน์ที่เกิดจากการรู้จักสร้างความสุขทางใจถ้าเรามีวิธีรู้จักสร้างความสุขทางใจเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเราอดอยากขาดแคลนหรือเงินทองหมดเนื้อหมดตัวเราก็ยังมีความสุขได้แต่ถ้าเราอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือ หาความสุขให้กับเราถ้าเงินทองขาดไปหมดไปเราจะทุกข์ทรมานใจเราจะอยู่ไม่ได้หรือถ้าเราจะอยู่ต่อเราก็ต้องไปหาเงินมาโดยวิธีที่ไม่ชอบเราก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมไปสร้างบาปตายไปก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในาบาปต่อไปนี่คือ โทษของการที่เราหาความสุขทางร่างกายอย่างเดียวเราต้องมาหาความสุขทางใจกันบ้างเพื่อเราจะได้มีความสุขสำรองเหมือนกับเราซื้อรถอีกคันหนึ่งเก็บไว้เผื่อรถคันที่เราใช้อยู่นี่มันเสียเราก็จะได้มีรถอีกคันมาใช้แทนถ้าเราใช้รถคันเดียวเกิดรถมันเสียรถรถมันพังไป เราก็จะไม่มีใช้ไม่มีรถมาใช้แต่ถ้าเราซื้อรถมาอีกคันเก็บเอาไว้สำรองไว้เกิดเวลารถคันนี้เสียเราก็จะได้ใช้อีกคันหนึ่งได้ฉนันใดถ้าเรารู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจสามารถรักษาศีลได้รักษาศีลแปลดได้สามารถมาอยู่วัดได้ถ้าเกิดเวลาที่เราไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ เราก็มาหาความสุขทางใจกันได้และความสุขทางใจนี้ก็ดีกว่าความสุขทางร่างกายหลายเท่าด้วยกันไม่มีทุกขมาตามมาเหมือนกับความสุขทางร่างกายจึงขอให้พวกเราพยายามสร้างความสุขทางใจให้ได้นอกจากล่าสาสินแแล้วสิ่งที่เราต้องพยายามทำให้มากก็คือควบคุมความคิดของเรา เพราะความคิดของเรานี้จะเป็นตัวที่จะพาให้เราไปหาความสุขทางร่างกายถ้าเราไม่คิดมันก็จะไม่สามารถพาเราไปได้ถ้าเราอยู่ความคิดได้มันก็จะไม่ได้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้คิดถึงโทรทัศน์ไม่ได้คิดถึงตู้เย็นไม่ได้คิดถึงขนมนมเนยไม่ได้คิดถึงอาหารดังนเราต้องควบคุมความคิดของเราอย่าให้คิดให้คิดแต่พุทโธพุทโธไป ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับรับรองได้ว่ามันจะไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆและเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบพอใจสงบมีความสุขก็จะมีความอิ่มก็จะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสนี่คือทำที่เราต้องปฏิบัติให้ได้นอกจากรัษาศาีลแปดแล้วก็ต้องเจริญสติให้ได้ต้องควบคุมความคิดให้ได้ ไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจแล้วพอมีเวลาว่างก็มานั่งสมาธิทําใจให้สงบท่องพุโทโธต่อไปพอใจสงบแล้วก็จะมีความสุขอย่างมหาศาลก็จะไม่อยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสจะไม่อยากจะไปทําอะไรอยากจะนั่งสมาธิไปมากมาก <c oughs> ก็จะนั่งสมาธิต่อหรือไม่เช่นนั้นก็ลุบมาเดินจงกรม เพื่อมาเจริญสติต่อควบคุมความคิดต่อไปเดินจนรู้สึกเมื่อยแล้วก็กลับมานั่งต่อสลับกันทำไปอย่างนี้จะสามารถทำได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะความสุขที่ได้จากทางใจนี้จะไม่รู้สึกว่าร่างกายนี้เหนือหน่อยเมื่อยล้าแต่อย่างใดนี่คือคุณวิเศษของความสุขทางใจที่เป็นความสุขของเราอย่างแท้จริง ไม่มีใครสามารถมาแย่งความสุขทางใจของเราไปได้ความสุขทางร่างกายนี้คนอื่นเขาแย่งไปได้เช่นแย่งสามีเราไปได้แย่งภรรยาเราไปได้แย่งลูกของเราไปได้แย่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆของเราเอาไปได้แต่ความสุขภายในใจนี้ไม่มีใครมาแย่งจากเราไปได้จะอยู่กับเราไปตลอดแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถ ที่จะมาแย่งความสุขทางใจของเราได้แล้วเมื่อเราไปเกิดใหม่เราก็ไม่หิวไม่ไม่หิวไม่ลิ้นลมไม่ต้องเดือดร้อนจะมีมากมีน้อยก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรเพราะเราสามารถสร้างความสุขทางใจได้ตลอดเวลานี่คือคุณหรือประโยชน์ของการมาวัดเพื่อมารักษาศิ่แปล เพื่อมาวาวสร้างความสุขทางใจขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติกันให้พบกับความสุขทางใจนี้ให้ได้ถ้าพบเพียงครั้งเดียวแล้วก็จะติดใจจะเบื่อความสุขทั้งหลายในโลกนี้จะไม่อยากจะได้มีสมบัติเก้าของเงินทองก็ไม่หวงไม่ยึดไม่ติดพร้อมที่จะยกให้คนอื่นไปถ้าตนเองพร้อมที่จะออกบวช พอออกบวชแล้วก็จะไม่หวงสมบัติข้าวของเงินทองเพราะการบวชนี้จะเป็นการกระทาที่จะเอื้อต่อการสร้างความสุขทางใจเพราะนักบวชไม่ต้องไปมีภารกิจการงานต่างๆไม่ต้องไปคิดให้วุ่นวายใจสามารถควบคุมความคิดได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับสามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิทาจิตให้สงบได้ทั้งวันมีความสุขได้ทั้งวัน ดังนั้นก็ขอฝากให้ท่านได้นําเอาเรื่องของการมาวัดมาทูศิลป์มาสร้างความสุขทางใจนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิปจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นกัดใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะะโดยทั่วหน้ากันเธอ